มันเป็นเวลาที่ใช้ไม่มากหรอกเวลานิดเดียวสล ะ, สะถวายพระพุทธเจ้าเป็นเวลาที่เราต้องสงบสัมรวมมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันพ้นทุกข์ไปมาเรียนให้รู้เรื่องแล้วไปลงมือปฏิบัติปฏิบัติรู้เรื่องแล้วเข้าใจธรร ม, มะเป็นขั้นตอนไปพอเข้าใจแล้วก็ บอกต่อให้คนที่เขาสนใจต่อเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราไอ้มือถงมือถือเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเนี่ยถ้าเอาไปทรมาหากินก็ไม่เป็นไรหรอกเอามาเล่นล้างพลานเวลาของตัวเองชีวิตเราศูนย์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราอยู่ในโลกนี้มานานๆอย่างหลวงพ่ออยู่นานห0สิบกว่าปีแล้ว จะเห็นความจริงของโลกมากขึ้นมากขึ้นโลกนี้เหมือนภาพดวงตาเหมือนความฝันเหมือนพยับแดดมันเหมือนจะมีแต่มันก็ไม่มีอะไรยังคนรุ่นเดียวกับหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์กันอยู่จุฬานี่เองใกล้ๆนิ่ตอนเรียนก็อยากจะเป็นผู้ว่าเนี่ยเป็นอาธิบดีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นเอกอัครราชทูตทุ่มเทกันในสวดก็ หลายคนก็เป็นตอนเป็นก็ใหญ่มีอำนาจมีชื่อเสียงมีคนยกย่องมีผลประโยชน์พอเกษียณแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าราชการบำนาญคล้ายๆเหมือนว่าเราตลอดชีวิตเรานะตั้งแต่เด็กๆมาเราถูกฝึกให้ต่อสู้แย่งชิงแย่งมาให้มากที่สุดและหวังว่าจะดีจะมีความสุข สุดท้ายมันก็อยู่ชั่คราวสุดท้ายมันก็คืนให้โลกไปมีตำแหน่งก็ต้องคืนตำแหน่งให้กับสังคมให้โลกไปกระทั่งทรัพย์สินเงินทองของเราว่าเราหามาเหนื่อยยากสุดท้ายก็คืนเจ้าของคืนโลกไปไม่มีเจ้าของที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งร่างกายของเราสุดท้ายเราก็ต้องคืนให้โลกไปเรายืมวัตถุาธาตุของโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต่อสู้เราแย่งชิงเราให้ความสําคัญมว่าดีว่าพิเศษไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งหน้าที่ทรัพย์สินเงินทองแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายแย่งทุกสิ่งทุกอย่างครอบครองมันอยู่ได้ชั่วคราวก็ต้องคืนเจ้าของคืนโลกไปเนี่ยเราฉลาดพอนะเราจะรู้เลยว่าทําไมเราต้องเอาชีวิตของเรา เกือบตลอดชีวิตนะไปต่อสู้แย่งชิงของซึ่งเอาไว้ไม่ได้งแย่ ง, ยงกันเป็นนายกนะแย่งแย่งกันก็ไม่เห็นมีนายกตลอดการนายกก็มีมาตั้งเยอะและ้วประธานาธิบดีก็มีมาเยอะและ้วพระเจ้าแผ่นดินก็มีมาเยอะและ้วนถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราจะรู้เลยว่า ทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่มันเหมือนเราฝันอยู่มันแค่ฝันฝันไปเท่านั้นเองฝันว่าเป็นผู้หญิงฝันว่าเป็นผู้ชายฝันว่าเป็นเด็กเป็นคนแก่ฝันว่าชื่อนี้ชื่อนี้ฝันว่าร่ำรวยฝันว่ายากจนฝันว่ามีความสุขฝันว่ามีความทุกข์มันมีชีวิตแบบฝันฝันอยู่เท่านั้นเองไปต่อสู้แย่งสิงความฝันม่เป็นความไร้เดียงสา ทำไมเราไม่หาสิ่งซึ่งเป็นเป็นสาระแก่นสารที่จะให้ความสุขให้ความสงบ ก, กับชีวิตเราที่อย่างยังย่งยืนไปหาของหลอกๆใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไปหาของหลอกๆบางคนก็ตั้งใจไว้ไว่าแก่ๆแล้วจะปฏิบัติธรรมตอนหน่มสาวเนี่ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก่อนสุดท้ายก็ว่างเปล่าหลวงพ่อมาดูนะหลงพ่อภาวนา ม, มาเรื่อยๆหลวงพ่อมีความสุข สดชื่นสบายยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขนะในขณะที่เพื่อนๆต่อสู้แย่งชิงกันโลกมาแก่แล้วเงาสุ้อย่างมันเข้าสู่จุดที่รู้สึกสูญเสียหลวงพ่อไม่ได้ไปวิ่งหาอะไรมาไม่รู้สึกสูญเสียเลยมันรู้สึกเต็มมันรู้สึกอิ่มอยู่ในตัวของเราเองงั้นเราหาสิ่งที่มันเป็นสาระให้ชีวิตดีกว่าหาภาพดวงตาหาความฝันหลอก สิ่งที่เป็นสาระของชีวิตเราก็คือคุณงามความดีในใจเรานี่เองหาธรรมะเข้ามาสู่ใจเราให้ได้ธรรมะไม่ได้หายากที่ไหนหรอกไม่ใช่ของลึกลับนะของที่อยู่กับเรานี่เองถ้าเราสามารถลืมตาขึ้นมาเปิดตาในของเรานาะสัมผัสธรรมะซึ่งมันอยู่เต็มบริบูรณ์อยู่แล้วในใจเราเนี่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนี่ ใจเราจะพ้นจากความทุกข์มันจะเกิดความรู้สึกเต็มรู้สึกอิ่มอยู่ในตัวเองไม่หิวในขณะที่ทางโลกเนี่ยใจของเราหิวตลอดเวลาอย่างตื่นเช้าขึ้นมาก็อยากมาฟังเทศใจมันก็หิวนะอยากฟังธรรมะมานั่งสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวต่อใจมันหิวตลอดเวลาเลยใจที่มันหิวมันก็พาให้เราดิ้นรน อยูสิ่งนี้ก็อยากได้มาดิ้นรนเพื่อให้ได้มาได้มาแล้วก็ต้องรักษาไว้กลัวสูญเสียใจมันจะมีภาระที่ไม่รู้จักยบจักสิ้นเรามาฝึกใจของเราให้ฉลาดนะไม่ใช่ฝึกใจให้มันซื่อบื้ออะไรหรอกฝึกใจให้มันฉลาดให้มันรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกของชีวิตถ้าเข้าใจความจริงของโลกของชีวิตรู้เลยว่านี่มันเป็นความฝันนี่มันเป็นภาพลวงตา ใจมันจะคลายความยึดถือออกมันจะไม่ยึดถือในโลกเมื่อเราเป่นใจมันไม่ยึดถือสิ่งต่างๆในโลกแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความแก่จะเกิดขึ้นความเจ็บความตายจะเกิดขึ้นใจมันจะไม่หวั่นไหวการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักหรือคนที่เรารักพลัดพรากไปจากเป็นบ้างจากตายบ้างเราก็เห็นมาเป็นธรรมดาใจไม่หวั่นไหวคาว่าอหากหักรักสลายอะไรเนี่ยมันไม่กระเทือนเข้ามาที่ใจเรา หรือการที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนยะใจมันจะไม่หวั่นไหวมันจะเข้าใจว่ามันเหมือนกลังฝันลายอยู่เวลาเจอของไม่ดีเวลาเจอของดีๆล้วก็ไม่หลงไหลรู้ว่ากำลังฝันดีอยู่เนี่ยละถ้าเราใจเราฉลาดใจมันจะถอนตัวเองออกจากโลกโลกจะแปรปรวนยังไงนะจะดีหรือจะเลวจะสุขหรือจะทุกขนะ์ใจมันไม่กระเพื่อมใจมันไม่หิวใจที่ไม่มีความหิวไม่มี ความกระหายนะใจมันมีความสุขมีความสงบซึ่งไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่เอาเงินซื้อไม่ได้นะเอาอำนาจไปแย่งชิงใครมาก็ไม่ได้อยู่ที่เราฝึกของเราเองเมื่อเราฝึกของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยคนอื่นจะมาแย่งเราไปก็ไม่ได้จะมาขอแบ่งก็ไม่ได้นะเป็นของของเราเองโดยตัวของเราเองงั้นต้องพยายามมาฝึกจิตฝึกใจนะการจะฝึกจิตฝึกใจนะั้นมันมีสองอย่างนะการฝึกใจเนะย อันแรกเลยฝึกใจให้มีความสุขมีความสงบอันที่สองฝึกใจให้ฉลาดถ้าฝึกใจให้มีความสุขความสงบนีมันจะได้ความสุขโ่วครั้งชั่วคราวตอนที่ใจมันสรงสมาธิอยู่เนี่ยมันมีความสุขมีความสงบพอสมาธิมันเสื่อมใจมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายเกิดความหิวกระหายขึ้นมาอีกมันไม่มีความสุขถาวรแต่มันก็มีประโยชน์อย่างเราอยู่กับโลกเราทํางานเหน็ดเหนื่อยมากเราเครียดมากเนี่ย เรามาทําความสงบใจเราฝึกใจให้มันมีความสุขความสงบได้ทําจิตสงบเข้ามานะมันสดชื่นมันมีเรี่ยวมีแรงไปต่อสู้กับชีวิตนะหรือแก้ปัญหาอะไรที่ซับซ้อนได้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพุทธานิยมหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันหลวงพ่อพุทธ์เขาเคยเล่าให้ฟังบอกว่าท่านมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเป็นสถาปนิกเขาจ้างให้เขียนแบบตึก ซึ่งมันเป็นตึกที่ใหญ่มากเลยแล้วซับซ้อนมากเลยคิดไม่ออกนะคิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ไม่ออกอนะ่ะยิ่งพยายามคิดยิ่งคิดไม่ออกว่าควรจะทํำยังไงแกก็ไปวันหนึ่งนะแกนอนไปตื่นขึ้นมานะใจมันสงบมันไม่คิดมากใจมันสงบขึ้นมามันเห็นแบบแปลนขึ้นมาในใจเลยรู้เลยว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยสมาธิมันทำให้มีปัญญาขึ้นมากระทั้งปัญญาทางโลก พวกเราเคยเป็นไหมบางครั้งเราเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกนะเราไปทำใจสงบหรือไปพักผ่อนทำอะไรให้สบายใจหรือไปนอนหลับสักตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเชา้าๆาเนี่ยตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมาบางทีไดไอเดียดีๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนี่ลักษณะของจิตนะถ้ามันมีความสุขมันมีความสงบอยู่มันจะเกิดความฉลาดขึ้นมา เอาไปคิดพิจารณาอะไรเนี่ยทำได้ดีมากกว่าคนปกติหลวงพ่อแต่ก่อนรับราชการอยู่นะทำงานเนี่ยเร็วมากเลยอย่างไปทำงานต้องวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเนี่ยเป็นตั้งๆเลยเป็นสอกๆนะสะสมัยนั้นม่มีแต่กระดาษมันไม่มีหรอกคอมพิวเตอร์นั่งอ่านข้อมูลนานๆๆนนนนนนถึงเวลาที่จะเขียนนะีไม่ต้องคิดมากนะไปนั่งหน้าพิมพ์เด็กนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์ออกมาเลย จัดระบบจัดระเบียบความคิดออกมาเรียบร้อยเลยเนี่ยสมาธิมันช่วยให้เราได้สิ่งเหล่านี้มาหรือสมาธิช่วยเราอย่างอื่นได้ อ, อย่างเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาลดความลดงายลถหมุนนะจิตมันแทนที่มันจะตกใจกลีดล๊ดกลีด๊ดกราดกราดก็ทำอะไรซึ่งอันตรายมากขึ้นเอย่างาคนตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกก็เหยียบโครมลงไปเลยลนดะก็คว่ำเนี่ยจิตมันจะดีดผาดออกมานะเป็นคนดูเลย มันจะเห็นอย่างรถมันกําลังพลิกอยู่เนี่ยมันจะเห็นร่างกายมันพลิกไปเห็นรถมันพลิกไปใจมันเป็นคนดูอยู่เวลาหัวจะขกพื้นแล้วก็หลบซะหน่อยหนึ่งแทนที่จะบาดเจ็บมากก็บาดเจ็บน้อยบางคนไม่สบายไปหาหมอไปทําฟันเขาไปผ่าตัดเขาไม่ได้วางยาสลบนั่นสามารถเห็นได้ว่าร่างกายมันนอนอยู่ใจมันเป็นคนดูความเจ็บปวดมันอยู่อย่างหนึ่ง่วนหนึ่ง มันใจมันไม่มีความกลัวไม่มีความทุรนทุรายนี่เป็นเรื่องของสมาธิใช้ได้สารพัดเลยใช้รู้อดีตรู้อนาคตอะไรก็ได้แต่นัน้นก็เกินที่ความจําเป็นของพวกเราไปรู้อนาคตก็ไม่ใช่แปลกบางทีใจมันก็รู้ขึ้นมาเนี่นเรื่องของสมาธินะถ้าเราฝึกไว้ได้เราก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเวลาที่เราจะตายเราว่าเราไม่ได้มรรคผลนิพพา น, นเลยมันก็ตายอยู่กับสมาธิะหายใจเข้า รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเราตายไปเราไปสุขติไปอยู่ในที่ที่สุขที่สงบที่ดีขึ้นที่สบายขึ้นนี่เรื่องของสมาธิประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์อย่างใหญ่ก็คือสามารถเอาไปเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากของสมาธิหรือเวลาเหน็ดเหนื่อยอย่างเราทำงานที่เหนื่อยมากๆเนี่ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะที่หลวงพ่อเรียนด้วยคือหลวงปู่เทส ให้หลังสีหลวงปูเทศท่านบอกว่าเวลาเหนื่อยมากๆหรือเวลาฟุ้งซ่านมากๆทําสมาธินี่ง่ายๆกลั้นลมหายใจนะหายใจเข้าไปลึกๆหายใจลึกๆแลกลั้นใจสนิดหนึ่งแล้วความรู้สึกอจับเข้าไปที่ความว่างๆที่ความนิ่งๆของใจพอเร า, เราหายใจแล้วกลั้นใจนิดๆใจมันจะนิ่งๆบอกว่าจับอยู่ตรงนี้นั่นแป๊บเดียวนละจะได้แรงขึ้นมาเราจะได้แรง หรือเวลาหลวงพ่อทำงานเวลาประชุมนะประชุมบางทียาวเนหลายชั่วโมงเครียดเวลาคนบางคนพูดนะหาสาระไม่ได้แล้วทำความสงบใจของเราปุ๊บลงมานะใจเรารวมทีหนึ่งเนะี่ยเรามีกำลังที่จะทำงานต่อไปอีกสองชั่วโมงนะนี่เรื่องของสมาธิเป็นฆราวาสนี่แหละควรจะฝึกไห้เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยไว้ช่วยตัวเองยับคับขันก็ได้นะวิธีฝึกทำยังไง สมาธินี่มันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านถ้าเราจะฝึกสมาธิมันมีหลายรูปแบบแต่หลักของมันจริงๆนะเราใช้จิตใจที่สบายๆเคล็ดลับของเรื่องของการทําสมาธิอยู่ที่ความสบายความสุขความสบายนี่เองถ้าเรามีใจที่สบายๆไปรู้อารมณ์ที่สบายๆใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าใจเราไม่รู้จักเลือกอารมณ์ถ้าเราไม่รู้จักเรื่องอารมณ์อย่างบางคนเนี่ย รู้ลมหายใจแล้วใจมีความสุขก็แทนที่จะมารู้ลมหายใจกับไปดูท้องพองยุบอะไรเงี้ยมันไม่ถูกกับจริตนะใจไปดูดูท้องพองยุบไม่สบายใจไม่สบายใจยังไงก็ไม่สงบหรือบางคนชอบลมหายใจไม่ชอบพุทโธต้องไปนั่งพุทโธพุทโธตามคนอื่นชอบใจไม่ชอบพุทโธใจเกลียดพุทโธใจไม่มีความสุขเห็นเนี้ยใจก็าไม่สงบเคล็ดลับที่จะทําให้ใจของเราสงบอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ นะแล้วก็รู้จักวางจิตให้ถูกต้องรู้จักเรื่องอารมณ์ก็ต้องมาดูตัวเองว่าจิตใจของเราเนี้ยไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขถ้าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขนะสังเกตตัวเองดูแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆใจมันก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อันเดินการที่ใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่าใจเราหิวความสุขอยากได้ความสุขมันวิ่งไปดูบ้างวิ่งไปฟังบ้างวิ่งไปคิดบ้างวิ่งไปหาของอรอ่ อ, รอยๆกินบ้างนะ วิ่งไปฟังเพลงนะวิ่งไปคุยกับคนน้อยคนนี้มันวิ่งพล่านพลนตลอดวันมันวิ่งเพราะอะไรมันวิ่งเพราะมันอยากได้ความสุขมันวิ่งไปหาความสุขตลอดเวลานี่ถ้าเราฉลาดพอนะเราก็เลือกเรามาสังเกตตัวเองแล้วเราก็เลือกว่าจิตใจเราอยู่อะไรเรามีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจ อยู่กับการเดินจงกรมแล้วมีความสุขแล้วก็เดินจงกรมบ่อยๆอยู่กับการรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วมีความสุขนะเราก็รู้อิริยาบถไปอยู่กับการรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวอย่างรู้ท้องพองท้องยุบรู้การขยับมือนะการทาจังหวะนะแต่ละสำนักก็มีรูปแบบของการปฏิบัติเราก็ดูเลือกดูเอาว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็เอาแบบนั้นละ ไม่ต้องไปเอาแบบคนอื่นไม่ต้องเรียนแบบเพื่อนไม่ต้องเรียนแบบอาจารย์อย่างหลวงพ่อเ น, นี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยทำอนาปนาสติรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขพวกเราเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้บังคับเลยว่าทุกคนต้องรู้ลมหายใจนะเพราะว่าจลิตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันเราไปดูว่าใจเราชอบอะไรแล้วเราก็น้อมใจไปอยู่ในสิ่งที่ชอบเมื่อใจมันได้อารมณ์ที่ชอบแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นใจมันก็สงบ อย่างบางคนชอบอ่านการ์ตูนนิยกเปรียบเทียบนะชอบอ่านการ์ตูนหรือชอบอ่านนิยายเวลาอ่านนิยายแล้วเนี่ยลืมโลกเลยไม่สนใจอะไรเลยใจมันมีสมาธิในการอ่านนิยายเพราะอะไรเพราะอ่านแล้วมีความสุขแต่ว่าการเลือกอารมณ์ไม่ทําสมถะทำสมาธินี่เราต้องรู้จักอันหนึ่งไนดะ้ว่าอารมณ์ที่เราใช้เนี่ยนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่างบางคนด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนะี่ไปนั่งด่าทั้งวันเนี่ย ใจไม่สงบนะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลธรรมอย่างเราจเจริญเมตตาแไปงี้นไนะไม่ผิดศีลธรมรมเจริญเมตตาสัตว์ทั้งหลายเ ป, เป็นสุขเป็นสุขเถิดเลยนะคิดถึงคนอื่นคิดถึงสัตว์อื่นในทางบวกในทางเมตตาเขาใจมันก็มีความสุขถ้าใจมีความสุขใจก็สงบหรือบางคนน่ะไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาตามวัดบางแห่งมีวังมัดฉาเราทําสมาธิอะไรไม่เป็นหรอกเวลาเลี้ยงปลาแล้วใจมีความสุข ใจได้ให้ทานให้ทานแล้วมีความสุขเนี่ยราะเราไปเลือกเราเองควรจะไปดูตัวเองนะว่าเราควรจะอยู่อารมณ์อะไรไปสังเกตตัวเองอย่างน้อยก็มีอยู่สักอย่างสองอย่างนะแต่ละคนเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่พักของเราร่างกายเรายังต้องการบ้านเลเอาไว้พักผ่อนต้องการเตียงเอาไปที่นอนต่ออะไรจิตใจเราก็ต้องการที่พักเหมือนกันเราก็ไปดูว่าที่พักแบบไหนเหมาะกับเรา อย่างบางคนอยากอยู่คอนโดอยู่บ้านแล้วภาระเยอะอยากอยู่คอนโดบางคนก็อยากอยู่บ้านบ้านแบบโน้นบ้านแบบ น, น, บ น, บบนี้อยู่แบบนี้เรามีความสุขบางคนบอกว่าปลูกบ้านปลูกระต๊อบอยู่กลางทุ่งน้มีความสุขความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันเล่นแบบกันไม่ได้ไปสังเกตใจของเราเองนะว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขอย่างนี้นะก็ไม่เอา นะด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยไม่เอามันยั่วทำให้กิเลนแรงขึ้นไปสังเกตตัวเองทางใครทางมันนะแล้วก็พอเรารู้เลือกเล้รูเ้เลือกได้แล้วนะว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับตัวนั้นบ่อยๆแลึกถึงมันบ่อยๆเคล็ดลับตัวที่2นะก็คือเวลาที่เราไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยเราต้องรู้ด้วยใจที่มีความสุขด้วย อย่างบางคนเนี่ยสังเกตแล้วว่าเราทําอานาปานสติเราหายใจออกหายใจเข้าแล้วมีความสุขเนี่ยแต่ว่าเวลาไปรู้ลมหายใจนะเอาใจที่เครียดเครียดไปรู้เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเห็นน่ะเกือบร้อยละร้อยเลยพอบทจะให้ปฏิบัติเนี่ยจะทําใจให้ขุ่มขุมให้ครียดเครียดเนี่ยต้องเริ่มงี้ก่อนเลยเอาลงมือปฏิบัติสิต้องขยับตั้งท่าก่อนอยังกับว่าตะเกียไม่ได้นั่งอยู่ใช่ไหม จะต้องนั่งสั ก, ก่อนความจริงนั่งอยู่แล้วตอนนี้นั่งอยู่แล้วไม่ได้ไม่ใช่อ้าวพวกเราปฏิบัติต้องตั้งท่ามา ป, ปรับร่างกายเรียบร้อยก็ทําใจให้คลุมเนี่ยนะทำใจขลุมล่มๆบางคนทําใจให้เคลิมๆนะแล้วคิดว่าจะเอาใจอย่างเนี้ยไปรู้อารมณ์ไปรู้ลมหายใจไปรู้อะไรระวังว่าจะสงบไม่สงบหรอกใจที่จะสงบได้ต้องมีความสุข เพ้ที่หลวงพ่อสอนพวกเราได้ que, ่อย que, ว่าก่อนจะกทํากรรมฐานเนะียิ้มหวานๆสักทีหนึ่งก่อนยิ้มจนกระทั่งใจเรานะครี่เลยเหมือนดอกไม้บานไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะยิ้มหวานอย่าพวกที่เล่นหนังเล่นละครนะมันยิ้มหวานใจมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ยิ้มด้วยนะใจไม่ได้มีความสุขงั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเรายิ้มหวานๆทาใจผ่อนคลายนะให้ใจมันผ่อนคลายพ ใ, ใจผ่อนคลายแล้วเนี่ยใช้ใจที่ผ่อนคลายนีย่ไปทํากรรมฐาน อย่างหลวงพ่อเนี่ยธรรมานาปนสติหลวงพ่ก็มีใจที่ผ่อนคลายหิวานใจเราก็มีความสุขแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยใจที่มีความสุขแป๊บเดียวสงบเลยคืออารมณ์ที่เราเลือกนะก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเราไปอยู่แล้วมีความสุขใจที่ไปรู้อารมณ์นั้นก็ไปรู้อย่างมีความสุข ถ้าความสุขเจอความสุขนะแป๊บเดียวความสงบจะเกิดขึ้นเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในในตำราพี่ธรรมสอนไว้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นเราต้องมาสังเกตตัวเองควรนะควรหาสัอย่างหนึ่งเราดูว่าเราอยู่กับอะไรแล้วดีสบายใจเราอยู่นั่นบ่อยๆบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขนะเราก็คิดถึง พ, พุทธเจ้าเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปคิดถึง พระพุทธเจ้าท่านดีนะท่านมีพระปัญญาที่คุณท่านมีกรุณานะท่านมีความบริส like ุทธิ์หนึ่งพิจารณาคิดถึงใจมีความสุขบางทีก็คิดถึงธรรมะสักข้อหนึ่งใจมีความสุขบางทีก็คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ดูท่านสะอาดหมดจดดูท่านมีความสุขเรคิดถึงแล้วเราก็มีความสุขหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆอย่างสมมติเราคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรอย่างนี้น คิดถึงสมเด็จพระเท้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะสบายใจรู้สึกไหมท่านไปเดินข้างถนนเราเห็นเราก็มีความสุขแล้วนะอย่างคนอื่นไปเดินข้างถนนนะเห็นรลกเฉยๆเนะี่ยท่านขึ้นรถไฟฟ้าคนเห็นก็มีความสุขแล้วคนมีบุญะ่นะเนี่ยเรานึกถึงคนที่เขาดีเขามีความสุขนะใจเราก็สบายปไปด้วยอันนี้เ็าเรียกว่าเทวตารุสตินะเราลึกถึงเทวดาเทวด า, เทวดาเดินดินก็มนะีเทวดาที่ อยู่บนสวรรค์เราเราลึกไม่ถูกเลยเพราะเราไม่เคยเห็นก็นึกถึงคนที่ดีๆบางคนก็คิดถึงทานที่ได้ทําแล้วเราเคยบริจาคโลหิตอะไรนะได้ตอนนี้ได้สามสิบครั้งแล้วอนะไรเงี้ยคิดถึงขึ้นมาแนละ้วมันอิโมอิ ม, อมใจอย่างเงี้ยสมาธิมันเกิดหรือคิดถึงศีลตั้งใจรักษาศีลพรรษานี้จะไม่กินเหล้าเนี่ยรักษามันได้สองเดือนแล้วไม่ได้กินเหล้านะพอนึกถึงอย่างเนี้ยใจมันอิโมอิมใจนะสมาธิมันเกิดเลย นันสมาธิจริงๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ถึงขนาดต้องเข้าฌานหรอกสมาธิที่พวกเราคารวะจะเอาไปใช้นะสมาธินิดๆหน่อยๆเท่านี้เองพอให้ใจได้ชุ่มชื่นให้ใจได้มีความสุขว่างจะได้มีแรงไปสู้กับชีวิตนะนี่ถ้าต่อไปเนี่ยเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้สูงกว่านี้อีกอันนี้เราฝึกใจให้มีความสุขต่อไปเป็นขั้นการฝึกใจให้ฉลาดให้เข้าใจความจริงของโลกเข้าใจความจริงของชีวิต ลำพังการทำสมาธินะมันทำให้เราได้รับความสุขโว่วครั้งโชวคราวพอสมาธิเสื่อมความสุขก็หายไปความทุกข์ก็มาใหม่แต่ถ้าเรามาฝึกให้เจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราเจริญปัญญามากพอแล้วเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงไม่แปลกรวน ม, มีความสุขอย่างถ้าฝึกเต็มที่จิตหมดกิเลสเลยเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยเข้าไปล้างกิเลสจนหมดจากใจเราใจมันจะสว่างเด่นดวงนะมีความสุขไม่ต้องระวงังไม่ต้องรักษา ไม่มีอะไรเข้ามาเสียดแทงจิตใจของเราได้อีกความหิวโหยใดๆไม่เกิดขึ้นในจิตใจอีกมีความอิ่มมีความเต็มบริบูรณ์อยู่ในใจมีแต่ความสุขเนี่ยเกิดจากการที่เราเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นทํำยังไงอันแรกเลยเราต้องมาเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาซะก่อนจิตที่จะพร้อมกับการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่จิตที่สงบอยู่ในสมาธิเฉยๆแต่เป็นจิตที่สามารถถอนตัวออกมาเป็นคนดู ถอนตัวออกมาเป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตกายมันทำงานสังเกตใจมันทำงานใจถอยตัวออกมาถอนตัวออกมามาเป็นแค่คนดูทำไงใจจะเป็นคนดูขึ้นมาได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตของเราทุกวันนี้เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งคิดตลอดเวลารู้สึกไหมเวลาคิดเราก็อินไปในโลกของความคิดด้วย คิดเรื่องนี้มีความสุขเราก็เพลินไปคิดเรื่องนี้มีความทุกข์น้ำก็จมอยู่ในความทุกข์คิดเรื่องนี้เศร้าก็จมอยู่ในความเศร้าคิดอะไรขึ้นมาก็จมอยู่กับสิ่งนั้นคิดถึงการทําความดียังจมอยู่ในความดีอี ant, นกนะบางคนปลืม้มน้ำอย่างมานั่งฟังเทศบางคนคิดแต่เครื่องจะทําบุญอะไรดีอะไรเนี่ยแต่ว่าคิดชั่วไหมไม่ได้คิดชั่วแต่จิตมันหลงไปมันหลงไปทางดีหลงไปทางชั่วหลงไปคิดเรื่องดีก็หลงนะ หลงไปคิดเรื่องชั่วก็หลงนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยใจไม่หลงดีก็หลงชั่วคนที่ไม่หลงเนี่ยแทบไม่มีเลยเพั้นพราอริยบุคคลถึงหายากเราจะมาฝึกใจของเราอานะเรียนจากผู้หลงผู้คิดผู้นึงผู้ปลุงผู้แต่งให้มันมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมิธีิธรรมท ำ, ทำยังไงมิธริธรรมเนี่ยเราก็ใช้กรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างแต่เดิมเราเคยหายใจแล้วมีความสุขนะเราน้อมใจไปรู้เราหายใจแล้วมีความสุขเราปรับสักนิดหนึ่ง เราก็รู้ลมหายใจต่อไปแต่แทนที่จะรู้ลมหายใจแล้วน้อมใจไปอยู่ที่ลมเนีเรารู้ลมหายใจแล้วเราคอยรู้ทันใจนะรู้ทันจิตใจของเราเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปสองสามทีใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปคิดหรือหายใจไปหายใจไปใจเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจนะเป็นิ่งแช่อยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าใจเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจใจของเราวิ่งไปวิ่งมาได้นะจะพาให้ดูนะ เอาทุกคนลองคิดถึงผมหอตัวเองเราคิดถึงผมนะเวลาที่เราคิดถึงผมรูม้สึกไหมใจเราไปจดจ่ออยู่ที่ผมเอาลองย้ายมาอยู่ที่หูข้างขวาซิอย่าคิดเยอะนะถ้าคิดว่าจะย้ายยังไงอย่างงี้จะไม่รู้เรื่องเลยถ้ามันไม่ยอมย้ายลองจับหูตัวเองดู จับนะให้ความรู้สึกมันไอยู่ความรู้สึกไปอยู่ที่ไหนจิตก็ไปอยู่ที่นั่นแหล ะ, ะอย่างเรารู้สึกอยู่ที่ผมจิตก็ไปอยู่ที่ผมรู้สึกไปอยู่ที่หูนะจิตก็ไปอยู่ที่หูรู้สึกอยู่ที่เท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้ที่นี่มีพระพุทธ ร, รูปองค์หนึ่งข้างหลังเนี่ยพวกเราลองสังเกตดูนะตรงยอดแหลมๆของพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้เป็นยอดแท่งเดียวแต่เป็นแฉกเลกเ็กๆหลายแฉกสังเกตไหม ลองดูซิมีกี่แชกอยากคิดเอาดูของจริง <c oughs> สังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจดูเนี่ยใจเราอยู่ที่พระนึกออกไหมเนี่ยใจเราหนีไปอยู่ที่พระใจเนี้ยนั้นหนีทั้งวันเลยนะใจเนี้ยหนีเก่งที่สุดเลยเดี๋ยวก็หนีไปดูเดี๋ยวก็หนีไปฟังอย่างนีไปดูเนี่ยไปดูพระพุทธรูปใจพี่อยู่ที่พระหรือขับรถมานะเห็นรถเขาชนกันนะใจตั้งใจไปดูเขา ขณะที่ตั้งใจไปดูรถชนกันนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจให้ใจไปอยู่ที่ที่รถที่ชนกันไปอยู่ที่สิ่งที่เราดูนั้นใจเนี่ยจะไหลไปนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลวิคิดมันจะไหลตลอดเวลาหน้าที่เรานี่ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้ไหลหน้าที่เรานิดเดียวใจไหลไปที่ไหนให้รู้ทันใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ฝึกแค่นี้แหละใจที่ไหลไปก็คือใจที่ฟุ้งซ่าน ท, ทันทีที่เรามีสติรู้ทันใจที่ฟุง้งซ่านนะความฟุง้งซ่านจะดับสมาธิชนิดที่จิตไม่ไหลจะเกิดขึ้นสมาธิมีสองอย่างสมาธิอย่างแรกที่ใจสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเนี่ยจิตไหลไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวได้สงบได้พักผ่อนสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถอนตัวมาเป็นคนดูแล้วเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายนะทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตจะถอนมาเป็นคนดูส่วนเนี้เราเกิดจาก เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตไหลนะจิตรู้จะเกิดนี่จิตปกติไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางลายไหลไปคิดนึกทางใจไหลได้หช่องส่วนใหญ่ที่สุดมันไหลทางไหนนึกออกไหไหลทางไหนใครว่าไหลทางตายกมือสิหูจมูกลิ้นกาไหลทางใจมีไหมที่เหลือคือพวกจิตไม่ไหล เป็นไปได้ยังไงนะพวกไหลแล้วไม่รู้ว่าไหลเสียงใช่ไหมจิตน่ะไหลตลอดเวลานะเขาเรียกว่าเหลวไหลนะพอเหลวไหลออกไปก็ไปหลงไหลไปเห็นรูปก็ไปหลงไหลในรูปแต่ได้ยินเสียงก็หลงไหลในเสียงมันมีคําว่าไหลอยู่ด้วยคนโบราณเก่งนะมันไหลจริงๆนะไหลไปไหลไปให้เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลนะจิตรู้จะเกิดเราจะตื่นขึ้นในฌันแล้วส่วนใหญ่ที่จิตไหลไปเนี่ยที่มากที่สุดนะคือไหลไปคิด ตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาเลยใจเขาคิดแล้วพราเวลาเราคิดเราก็อินไปเราก็เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดอินอยู่ในความคิดให้เรารู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในความคิดจิตหลงไปคิดถ้ารู้อย่างนี้นะจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ว่าจิตไหลไปที่ลมหายใจนะจิตรู้ก็จะเกิดอัตโนมัติเงั้นวิธีที่จะทําให้เกิดจิตผู้รู้นะก็ใช้วิธีที่คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปง่ายๆอย่าไปห้ามนะ ถ้าห้ามจิตไหลเนี่ยจะเครียดที่สุดเลยแล้วก็เป็นการภาวนาที่ผิดทันทีเลยจิตเครียดเครียดจิตไม่มีสมาธิหรอกเอาไปเดินปัญญาอะไรก็ไม่ได้หรอกนั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปฝึกของเราเองบ่อยๆบางทีไม่ชอบรู้ลมหายใจจะพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันพุทโธพุทโธไปจิตไปอยู่ในความว่างๆไหลไปอยู่ในความว่างๆรู้ทันดูท้องพองยุบจิตไหลไปคิดที่รู้ทัน จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันนะเดินยงกลมจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้ทันรู้ทันอย่างนี้แหละเมื่อไรรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตรู้จะเกิดไปฝึกนะของฟรีไม่มีต้องฝึกเอาเองถ้าได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเรามีความพร้อมละเราเตรียมพร้อมละเราพัฒนาจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาเราใช้จิตที่เป็นผู้รู้นี่แหละไปรู้อะไรรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจ ไม่ใช่รู้ร่างกายไม่ใช่รู้จิตใจนะเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของมันเช่นเรารู้ความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูเราก็จะเห็นเลยความโกรธมันเกิดได้เองความโกรธมันตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วความโกรธมันก็ดับได้เองความโลภเกิดขึ้นมาได้เองอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับได้เองความสงบความฟุ้งซ่านเกิดได้เองดับได้เองนี่เราคยดูของจริง ของจริงแสดงอยู่ที่ร่างกายแสดงอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยเองรู้สึกบ่อยๆดูบ่อยๆกรรมฐานในการเจริญปัญญายอย่าให้เกินกายออกไปนะคอยรู้อยู่ในร่างกายรู้อยู่ในจิตใจของเรานี่เองเพราะกายกับใจนี่ยคือสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดเลยว่าเป็นตัวเราไม่มีใครเห็นว่าบ้านเป็นตัวเราหรอกไม่มีใครเห็นว่าสามีเป็นตัวเราไม่มีใครเห็นว่าภรรยาหรือลูกเป็นตัวเรามีแต่กายกับใจนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานะ เพนั้นเรามาค่อยรู้สึกมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนรู้ด้วยจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งนะเป็นจิตที่มีอคติคิดไปตามความชอบบ้างความเกลียดบ้างเป็นจิตที่ไม่เป็นกลางส่วนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นจิตที่ไม่เข้าไปอินกับสิ่งต่างๆมันจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ตรงความเป็นจริงมากกว่าจิตที่หลงไป เหมือนอย่างเราดูเขาชกมวยนะเราดูชกมวยเนะี่างคนใครดูไหมมวยในโทรทัศน์มีไหมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนมีแทบทุกวันเราเห็นบ่อยๆนะเวลาดูเขาชกมวยสังเกตไหมนักมวยมีคู่เดียวนะแต่คนคนสอนให้เขาชกเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมต่อยังงน้นสี่เตะอย่างนี้สิทําไมไม่ทําอย่างนี้วะอะไรอย่างนี้นะเออทำไมมันเก่งนักหรือมันเก่งกว่านักมวยไหมให้มันขึ้นไปชกเองมันก็ตายใช่ไหมมันเก่งเพราะอะไรเพราะมันเป็นคนวงนอก มันมองเห็นง่ายไอ้น ơi, คนวงในกําลังเมาหมัดอยู่ดูไม่ออกหรอกว่าควรจะแก้ทางมวยยังไงไอ้คนวงนอกดูง่ายหรือมันอย่างเราทํางานใครที่ทํางานที่ในบริษัทใหญ่ๆหรือในองค์กรใหญ่ๆนะที่เราต้องจ้างเอ็ดไวเซอร์เอดไวเซอร์ไอ้พวกที่ปรึกษานะค่าจ้างมันแพงนะเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีนะแล้วแต่โปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนไอ้พวกนี้มันเก่งกว่าเราหรือเปล่ามันไม่ได้เก่งกว่าเราแต่มันเป็นคนนอก การที่มันเป็นคนนอกนะั้นพอมันเข้ามาดูข้อมูลของเรานะมันดูอะไรง่ายเราปรจมอยู่กับข้อมูลมันทำให้เราดูอะไรไม่ค่อยออกเพราะเราจมอยู่กับของเก่าๆซะแล้วคนนอกมาดูนะดูง่ายนี่เราจะมาฝึกใจของเรานะให้มันถอนตัวออกมาเป็นคนวงนอกนอกอะไรนอกกายนอกใจตัวเองนะไม่ใช่เป็นนอกใจเมียนะนอกกายนอกใจของตัวเองนะีดูเห็นใจมันทางานเห็นใจมันทางานใจเราเป็นแค่คนดูทุกคนต่อไปนี้จะฝึก ให้ทําหัดดูนะยิ้มหวานอย่าลืมนะหลักสูตรหลวงพอเริ่มจากยิ้มหวานหวานยิ้มให้ใจมีความสุขอย่ายิ้มไปตื่นเต้นไปว่าเราจะฝึกแล้วยิ้มยิ้มยมนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องหรอกเ น, นี่ยวะกี้เห็นไหมตัวอะไรหัวเราะนะใช้ใจที่ธรรมดาลองยิ้มซิยิ้มหวานหวนรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกเอง รู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้าแค่นี้เองยากไหมมันง่ายจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงนะเราคิดว่าต้องเข้าฌานต้องได้อภิญญาต้องอะไรต่ออะไรถึงจะมาเดินปัญญาได้ถ้าจะเล่นปัญญาจริงง่ายๆเายอ่ะที่นนคนธรรมดานี่แหละสมัยพุทธกาลนะคนอย่างพวกเรานี่แหละได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปุ๊บปั๊บนะได้โสดาได้สกทาคาอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งทั้งที่เป็นฆราวาสไม่ได้บวชซะหน่อย ấy, เพราะอะไรเพราะไม่มีมารยาในการปฏิบัตินะ ขอเรามีมารยาในการปฏิบัติพอาคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไร่ไม่บังคับกายก็บังคับใจแต่ส่วนมากบังคับทั้งกายทั้งใจนะเครียดไปหมดเลยแล้วก็ภาวนามากๆเครียดมากๆเราสติแตกนะคนภาวนาแล้วบ้าหรือเยังนะเพราะว่าภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาถูกไม่บ้าหรอกเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายกําลังยิ้มพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับแค่รู้สึกนะ ไม่ต้องอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอาเลยนะอย่างนี้จิตผิดธรรมชาติจิตอย่างเนี้วิกลจริตแล้วจิตฟันนะ่นเฟือนจิตตัวนี้กําลังหัวเราะเนี่ยรู้สึกไหมเห็นร่างกายหัวเราะไหมเห็นจิตใจผ่อนคลายไหมเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เองเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปอย่างไรงล้วเมื่อกี้เราหัวเราะโดยไม่ได้เจตนาหลวงพ่อไม่ได้สั่งให้หัวเราะใช่ไหมมันหัวเราะเองเนี่ยใจมันมีความสุขมันหัวเราะมันขาขึ้นมา เนี่ยเราเห็นว่าจิตใจมันขำขึ้นมาได้เองนะเราก็จะเห็นว่ามันขำชั่วคราวแล้วมันหายสังเกตไหมตอนเนี้ยมันลดการขำลงไปแล้วจิตที่หัวเราะในเคียจิตที่ขำตะเคียมันหายไปแล้วเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับดูกันอย่างนี้เองง่ายๆแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกเอารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอมองเห็นอย่างนี้มีความสุขเห็นอย่างนี้มีความทุกข์ เห็นอย่างนี้จิตเป็นกุศลเห็นอย่างนี้จิตโลภปลดหลงขึ้นมาได้ยินอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภปลดหลงขึ้นมานีคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็สุขคิดเรื่องนี้ทุกคิดเรื่องนี้โลภปลดหลงอะไรเนี่ยนะใจมันกระทบอารมณ์นะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเราก็แค่รู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นความรู้สึกเท่าไหร่มาได้ไปได้ไม่มีหรอกความรู้สึกอมตะนะมีความรู้สึกทุกชนิดมาแล้วไปมาแล้วไปทั้งสิ้นเลย ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกมาแล้วก็ไปพวกเราแต่ละคนเคยมีความทุกข์มลองนึกซีเรื่องอะไรที่ทุกที่สุดในชีวิตเราลองนึกดูซีแล้วรู้สึกไหมว่ามันก็ไปเหมือนกันบางคนอนะโอกหักนะโอหักเนี่ยมีความทุกเลยชาตินี้นะโลกจะต้องมืดมนตลอดชาติเลยอกหักครั้งที่หนึ่งโลกต้องมืดมนตลอดชาติเลยมืดไปไม่ถึงปีก็หายเนะี่ย หายไปพออกหกักครั้งที่สองมืดไปสามเดือนก็หายครั้งที่สามเดือนเดียวหายว่าหลายๆครั้งเข้าอกหักเช้าเย็นก็หายแล้วเ <c> น <oughs> ื้อความทุกข์ก็ไม่เตี้ยงนะความทุกข์ก็ไม่เตี้ยงความสุข ก, ก็ไม่เตี้ยงของง่ายๆแค่เนี้ยทําไมไม่ดูหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวพ่อนะว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วเราไปนี้อ่านจิตใจของตนเอง จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้ไม่ต้องมารยาให้ดีตลอดนะไม่ต้องมารยาให้สุขตลอดไม่ต้องมารยาให้สงบตลอดสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้ไปตามธรรมชาติเราไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะความสงบไม่เที่ยงเราฝึกเอาปัญญาฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป เน ar, ี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในร่างกายเรานี่ก็เกิดดับตลอดเวลาร่างกายที่หายใจออกใช่ไหมอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปดับไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกตะกี้มันตายไปแล้วนะมันหมดไปแล้วอายุเราสั้นลงไปนิดนึ่งล้ทุกลมหายใจเข้าออกเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะแค่ร่างกายหายใจออกมันก็ดับไปร่างกายหายใจเข้าก็ดับไปอย่างร่างกายเราเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้เรานอนใช่ไหมร่างกายที่นอนนั้นเป็นอดีตไปหมดแล้ว ั่างกายตอนนี้นั่งเราดูไปเรื่อยนะเราเห็นมันเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนตลอดเวลาทีแรกดูไม่เป็นเราก็ดูเปรียบเทียบเมื่อวานเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าดูเป็นเราก็จะเห็นปัจจุบันตรงถ้าเราเห็นถึงปัจจุบันนี่เรียกว่าวิปัสสนาละถ้าเป็นการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันนีย่ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าเปรียบไปก่อนเพื่อให้จิตมันคุ้นเคยที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงว่าพอใช้ได้ แต่ว่าจิตจะขึ้นเป็นาสนาจริงๆนั้นดูขนาดนี้เลยเนี่ยรู้สึกมไหมตัวนี้ขยับอยู่เวลาที่เราดูไก่นะสิ่งที่จะเห็นชัดคือจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์แล้วก็ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่จะเห็นชัดถ้าเห็นจิตดูจิตดูใจนี่จะเห็นว่าจิตใจเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราดูกายกับดูใจเนี่ยมุมมองมันจะต่างกันนิดหน่อยความเด่นชัดมันจะต่างกันนิดหน่อย อย่างร่างกายเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายนี้คือตัวทุกข์ลองนั่งไม่กระดุกกระดิกสิทุกข์ไหมเพราะเราทุกข์ขึ้นมาทำไม่เราก็ขยับเปลี่นอิริยาบถล้วก็หายทุกข์เราหายใจเข้าไปหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์หายใจเข้าไปมันก็ทุกข์ใช่ไหมก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนอิริยาบถในร่างกายเรานะเราเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อวาลดเ นั่งอยู่แล้วขันใช่ไหมขันเราก็เก่าเก่าแล้วก็หายทุกข์นั่นนั่งอยู่คันให้มาเนี่ยก่อนจะเกาเนี่ยรู้ซะก่อนว่าคันเราเห็นเออร่างกายมันทุกข์แล้วนะเราจะเก่าก็ไม่ว่านั่งอยู่เห็นร่างกายมันเมื่อยรู้ซะก่อนว่าร่างกายมันเมื่อยแล้วค่อยๆขยับก็ค่อยจะค่อยๆเห็นไปฝึกอย่างนี้จะค่อยๆเห็นนะว่าร่างกายนี้มีความทุกขบิบคันอยู่ตลอดเวลายิวก็ทุกข์นะอิ่มก็ทุกข์นะง่วงก็ทุกข์นะอะไรๆทุกข์ทั้งวันเลย ถ้สังเกตไปได้เอยๆจะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุนะมีธาตุไหลเข้าไหลออกเช่นกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายไปถ้าไม่กินแล้วก็ตายถ้ากินแล้วไม่ขับถ่ายก็ตายอีกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายอีกนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอีกเนี่ยอาศัยธาตุที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามันถึงอยู่ได้ถึงวันหนึ่งธาตุมันไหลไม่สะดวกนะก็ตายมันก็แตก ด, ดับไป นี่เรามาดูในร่างกายเห็นแต่ความทุกข์เห็นแต่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่คือการเจริญปัญญาสังเกตอยู่ที่กายเรียนรู้กายรู้สึกอยู่ที่กายไปด้วยสุดท้ายก็เห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายคือตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวหรือสังเกตอยู่ที่จิตใจเราจะเห็นเลยจิตใจเดี๋ยวมีความสุขชั่วคราวแล้วความสุขก็หายมีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็หายดีแล้วดีก็หาย โลภโกรดลงขึ้นมาแล้วก็หายทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังนะจิตใจนี่จะแสดงอนิจจังอย่างรวดเร็วเลยเพราะความรู้สึกของเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะแล้สิ่งที่จิตใจแสดงได้ชัดอีกอย่างนึงคือคําว่าอนัตตาหน้าตาของใจเนี่ยไม่ได้ว่ายืมโลกมาใช้อะไรนะมุมที่เห็นได้ง่ายก็คือเราบังคับมันไม่ได้เราสั่งให้ใจมีความสุขไม่ได้เราห้ามใจว่าอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้เราสั่งใจให้ดีมันไม่เชื่อเรา เราสั่งว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงมันจะโลภมันจะโกรธมันจะหลงเราห้ามมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นความจริงว่าเราห้ามไม่ได้นี่เรื่องเห็นอนัตตานะไม่อยู่ในอำนาจบังคับงั้นไดที่เรารู้สึกตัวสบายๆนะใจเราไม่หลงไม่ไหลไม่อินไปในสิ่งต่างๆไม่หลงไปในโลกของความคิดไม่หลงไปดูไม่หลงไปมารู้สึกตัวสบายๆเราเห็นร่างกายรู้สึกถึงร่างกายที่กําลังทํางานรู้สึกถึงจิตใจรู้สึกถึงความรู้สึกที่กําลังทํางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมตะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยทุกสิ่งเหมือนความฝันทุกสิ่งเหมือนภาพลวงตาฝันไม่นานก็ตื่นฝันไปไม่นานก็ตื่นฝันว่ามีความสุขแล้วก็ตื่นขึ้นมาความสุขหายไปฝันว่ามีความทุกข์แล้วก็ตื่นขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปฝันว่าดีแล้วก็ดีหายไปฝันว่าโลกรคลดลงแล้วโลกรคลดลงก็หายไป ชีวิตมันเหมือนฝันอยู่มันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเราจะเข้าถึงธรรมะเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันเราจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้ารู้อย่างนี้ได้นะความทุกข์จะหายไปจากใจเรามหาศาลเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะจิตใจมันจะหวั่นไหวไม่มากหรอกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วแหละว่าทุกอย่างชั่วคราวอย่างคนที่เรารักตายไปเนะี่ยโสดาบันเสียใจไหมยังเสียใจได้ร้องไห้ได้นะ พระโสดาบัยก็ยังร้องไห้อยู่นางวิสาขาเนี่ยหลานตายร้องไห้เลยแต่ว่าสติเกิดเร็วพระเจ้าเตือนสตินิดเดียก็หายเศร้าโศกเพราะว่าใจมันเคยรู้ความจริงอยู่แนละทุกอย่างมันชั่วคราวหลานมันก็ต้องตายหลานมันก็เป็นของชั่วคราวแต่ทําไมเราัเศร้าโศกเพราะเราไม่คิดว่าหลานจะตายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยคาดหวังว่ามันจะตายเราคิดว่าเราต้องตายก่อนลูกก่อนหลานเพราะลูกหลานตายก่อนเราเราทุกข์นะแต่อย่างพ่อแม่ตายนะ เราเราคิดอยู่ใช่ไหมว่าพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราใช่ไหมพอพ่อแม่ตายเนี่ยเราทุกข์ไม่มากแต่ถ้าลูกเราตายเนี่ยเราทุกข์เยอะนะเพราะเราไม่เคยคิดว่าลูกควรจะตายก่อนเราเนี่ยใจมันไม่เคยอยอมรับความจริงถ้าใจมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างมันของโชคเก่าไม่แน่หรอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะตายนเนี่ยไม่ว่าใครจะตายนะใจมันจะไม่หวั่นไหวมากหวั่นไหวก็นิดๆหน่อยๆนะในขั้นพระสโสดาสมรรคายัางร้องห่มน้องไห้ได้แต่ร้องไม่นานหรอกนะเดี๋ยวก็หาย เสติมันทำงานปัญญามันทำงานให้มันได้ถ้าฝึกมากเข้ามากเข้านะปัญญามันรู้แจ้งแทงตลอดนะโลกนี้มีแต่ความทุกข์ถ้าเข้าใจถึงว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์แล้วไม่มีอย่างอื่นเลยเนันใจจะถอนตัวออกจากโลกเลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยร่างกายนี้ก็กลายเป็นโลกไนละ้ร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายจิตใจไม่หวั่นไหวนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสุขทุกข์ดีชั่วก็เป็นเรื่องของโลกจิตใจก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็พ้นจากโลกเลย เข้าเป็นภูมิโลภุตระเต็มภูมิเป็นพระอรหันไปงั้นเราค่อยๆฝึกนะอย่างน้อยก็ฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะแล้วแต่ละวันก็ฝึกใจให้ตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วก็ดูกายทํางานดูใจทํางานฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆต่อไปก็ได้บางผลนิพพานบางผลนิพพานมีจริงๆนะไม่ใช่ของหลอกเด็กถ้าเราฝึกไปได้เราจะมั่นใจขึ้นมาแล้วก็ชีวิตใจิตใจเราจะเปลี่ยน เรามีความเคารพแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะมีศีลมีความบริสุทธิ์หมดจนไม่อยากทำผิดศีลละอายใจที่จะทำผิดไม่มีคนเห็นก็ไม่ทำเพราะอายอายตัวเองใจจะไม่เชื่อไม่เชื่อาศาสดาอื่นๆเลยรู้เลยว่าใครก็สอนไม่ได้อย่างพุทธเจ้าไม่มีาศาสดาอื่นเลย ใ, ใจมัจะแน่นแฟนอยู่ในพรัฒนาไตร ฝึกนะแล้ววันหนึ่งจะได้ของดีของวิเศษให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วเป็นคนที่ได้ฟังธรรมได้เป็นชาวพุทธสัตว์ต่างๆเนี่ยมีมากสัตว์ที่ฟังธรรมได้มีน้อยนะมีพวกมนุษย์นะมีเทพมีพรหมบางพวกที่ฟังธรรมได้สัตว์ที่ฟังธรรมไม่ได้มีนับไม่ถ้วนสัตว์ที่ฟังธรรมได้พวกเรามนุษย์มีทั้งเท่าไหร่ คนที่มีโอกาสฟังธรรมมีเท่าไหร่คนที่มีโอกาสฟังธรรมเนี่ยคนในเมืองไทยนี่มีโอกาสฟังธรรมง่ายๆสนใจจะฟังธรรมมีสักเท่าไหร่สนใจฟังแล้วได้ฟังอาจจะมีสักเท่าไหร่ัี่มันเหลือน้อยลงน้อยลงนิดเดียวนะเพราะงั้นพวกเราที่มาฟังธรรมเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวนะถือว่ามีวาสนาบารมีมากแล้วล่ะได้มาฟังแล้วต่อยอดหรืออีกนิดเดียวนะไปปฏิบัติเอาจนธรรมะนัเข้ามาสู่ใจของเราจริงๆ หมดความสงสัยในพารัธนรัยเลยนะไม่ผิดศีลผิดธรรมอีกต่อไปชีวิตจิตใจจะมีความสุขมากนะไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นหรอกตัวเองเลจะมีความสุขมหาศาลเลยไปฝึกเอาถือศีลห้าไว้ก็พอแล้วไม่ต้องกระแดะถือศีลแปดเลหรอกเราศีลห้าก็พอแล้วนะอ้าใครจะส่งกันบ้านว่ามากราบนมัสการหลวงพ่อแล้วค่ะ ก็ทั้งที่แล้วที่ได้เไปกราบหลวงพ่อนะเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าเอลูกยังยังแน่นๆอยู่ทีนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนก็กลับไปฝึกที่ไปฝึกแล้วเจ้าค่ะก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะเพรวรู้สึกยังไงล่ะรู้สึกว่ารู้ตัวมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วความแน่นมันก็คลายบ้างเจ้าค่ะแล้วขนาดเนี้ยใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้ไหมทราบเจ้าค่ะเออถ้าทราบก็ใช้ได้นะ เจ้าค่ะแล้วก็ขณะนี้ประคองไหมมีการประคองจิตไหมไม่เจ้าค่ะรู้สึกแน่นไหมไม่แน่นเจ้าค่ะขณะนี้ก็ไม่แน่นนะไม่แน่นเจ้าโอประคองจนชำนาญนะสิมันมีหลุดบ้างแต่แต่นี้อยู่ที่หลวงพ่อเจ้าค่ะให้มันหลุดไปหลุดแล้วรู้อยากกลัวหลุดหน้าเนี่ยมันตื่นเต้นมันก็เลยรักษาไว้หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมนั่งตรงนิดนึงเออนั่นน่ะนั่นน่ะยอมรับสารภาพแ่ะ แน่นนิดนึงก็แสดงว่าบังคับนิดนึค่ะซึ่งเครียดไปหน่อยให้รู้ทันค่ะถ้ารู้เราใช้ได้นะค่ะไม่ใช่ว่าต้องดีถึงจะถูกเจค่ะเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนแหละถูกค่ะดีขึ้นแล้วล่ะใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วต้องระวังอันนึงพอใจคลายออกเนี่ยจะหลงง่ายอ๋อเจ้าค่ะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่เล่น อยู่กับพุทโธอยู่ลมหายใจหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วใจหนีไปเรารู้แต่อย่าไปปกคองให้นิ่งเค่ะเอาแค่ว่าหนีเรารู้หนีเรารู้ไปสบายๆยิ้มหวานยิ้มหวานสิแล้วเนี้ยต้องใช้ใจแบบตอนนี้นะใจ้ธรรมดาอย่างเนี้ยเห็นไหมตัวเนี้ยไปยักหน้าตัวนี้ไม่ใช่เราะแล้ะอย่างเนี้ยจะเห็นทันทีเลยไม่ใช่เราหลงแล้วอยากพูดรู้สึกไหมรู้สึกแล้วค่ะเออ่นแห่ะมันดันขึ้นมากลางหน้าอกมันอยากพูดขึ้นมาให้รู้ทัน เจ้าค่ะนั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละใช้ได้ดีเจ้าค่ะไปทำอีกไปขอบคุณเจ้าค่ะหลงแล้วรู้สึกไหมก้มหน้าไปปุ๊บจิตไหลลงไปเลยให้รู้ทันว่าจิตไหลกามางานมรการหลวงพ่อค่ะเพิ่งจะมาดูวิดีโอของหลวงพ่อทางเมดแต่ก็ใช้ได้นะคือรู้สึกไหมว่าจะเราเปลี่ยนไปก็ก็ ก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นเพราะเดิมทีนี่จะเน้นสวดมนต์นะคะเออสวดมนต์ก็ดีนะแต่ยังดีไม่มากอ่ะนะมาฝึกให้มันได้สติจริงๆให้ได้สมาธิตั้งมั่นจริงๆอย่างเนี้ยดีต้องแก้ไขอะไรมากขึ้นไม่แก้ให้รู้อย่างที่เป็นจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ไม่ต้องนั่งแก้นะจิตดีก็ไม่รักษาจิตชั่วก็ก็แค่รู้ไม่ได้ต้องแก้นะเพราะอะไรดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวทุกอย่างเกิดดับ อันนี้เป็นธรรมะในขั้นเจริญปัญญานะแต่ในขั้นจริยธรรมอ่ะชั่วต้องไม่ทําดีต้องทำคนละเรื่องกันนะธรรมะมีหลายระดับสังเกตเปล่าว่าโดยธรรมชาติเราฟุง้งซ่านเก่งรู้ไหม เ, ออเพราะงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจอยู่เล่นๆอยู่ด้วยใจที่สบายอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ส่วนมนต์นั่นแหละแต่ไม่ใช่ส่วนมนต์ให้จิตสงบเป็นส่วนมนต์แล้วรู้ทันจิตไปส่วนมนต์แล้วจิตมีความสุขรู้ส่วนมนต์แล้วจิตเป็นทุกข์ก็รู้ ส่วนมนแล้วจิตฟุ้ฟงซ้านก็รู้จิตสงบก็รู้แต่ตมาถูกทางแล้วถูกไม่รู้เริ่อว่าถูกไม่แน่ใจ <laughs> <laughs> บางทีมีความรู้สึกว่ามึนตึบเลย <laughs> พยายามเยอะไปเพราะว่าเป็นโรคคิดมากนั่นละมึนก <laughs> ตับไป ก, บกรับมารัชการหลวงพ่อคะ่ะส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีคะ่ะ อ่าที่ผ่านมาได้เสริญสติในชีวิตประจําวันแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะโดยการรู้ลมหายใจค่ะอืมก็รู้สึกว่าฝึกแล้วเครียดไหมฝึกเราไม่ไม่เครียดค่ะถ้าไม่เครียดก็ดีนะะฝึกแล้วอึดอัดเครียดเครียดแสดงว่าเราโลภเราอยากดีแล้วไปบังคับก็มีโลภค่ะนั่นหลวงพ่อก็บางั่นแหละนะให้รู้ทันตัวนี้นะรู้ทันใจมันอยากดีพออยากดีปุ๊บเราไปลงมือปฏิบัติเนี่ย มันจะไปบังคับตัวเองนะงั้นเวลาคนที่ทําผิดมิตรสองานอันหนึ่งนะย่อหย่อนไปอันนึงตึงเครียดไปย่อหย่อนเนี่ยเป็นทางไปของพวกพวกไม่ดีพวกตึงไปเนี่ยเป็นทางไปของพวกดีพวกอยากดีพวกรักดีอยากเป็นคนดีอยากได้มากผลอยากพ้นทุกข์อะไรเนี่ยอยากทางดีมันจะมาบังคับตัวเองบังคับตัวเองแล้วใจมันจะแน่นๆน่เพราะฉะนั้นต้องไม่ให้ใจแน่นนะ ่ะเให้รู้ทันว่ามันยังบังคับอยู่ค่ะดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะแล้วหนูกลับไปเลี้ยนหลวงพ่อค่ะว่าหนูทําสมาธไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรค่ ะ, ะสมาธไม่จําเป็นถึงขนาดต้องเข้าชาญหรอกนะให้จิตมีเครื่องอยู่อะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันก็ได้สมาธิแล้วละค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันบางทีลมหายใจชอบหายค่ะแบบว่าหนูลืมลมหายใจค่ะลืมแล้วลืมลมหายใจแล้วจิตไปหาอันอื่นเป่ะ หลงไปที่อื่นป่ะหาแบบพยายามหาแบบถ้าบางทีไปคว้าพุทธโธมาก่อนเนี่ยค่ะให้รู้ว่าจิตเที่ยวหาค่ ะ, ะให้รู้ทันจิตว่าจิตเที่ยวหาอยู่แค่นั้นก็รู้ล ะ, ะเวลาเราพุทธโธหรือเราหายใจนะอย่างบาทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่าเงี้ยพอจิตสงบนะพุทธโธหายไปเหลือแต่หายใจพอสงบมากขึ้นอารมณ์หายใจหายไปอีกนะกลายเป็นแสงสว่างรู้เนืรู้ตัวอยู่ สงบมากกว่านั้นน้ําทิ้งแสงน้ําทวนเข้ามาหาจิตอีกเลยแต่ความรู้สึกตัวอยู่ทิ้งทุกอย่างหมดเลยร่างกายก็หายไป น, นั่นเป็นเรื่องของสมาธิเงั้นถ้าแต่ถ้าพุโทโธพุโทโธหรือหายใจแล้วพุโทโธหายไปลมหายใจหายไปแต่จิตนี้ไปคิดเรื่อึดอันนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านเยอะค่ะเพราะนั่นเป็นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเราก็ไม่ว่ามันเรารู้ทันว่าฟุ้งซ่านแล้วกลับมาอยู่กับลมกลับมาอยู่กับพุทโธต่อไปนะ ถ้าเรามาละเอียดขึ้นไปก็อยู่กับพุทโธไปก็ได้ค่ะอดูมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ดีแล้วก็หลวงพ่อมีอะไรแนะนํำอย่าโลภค่ะไปดูรู้ทันที่โลภนะค่ะเพิ่งเพิ่งแรู้ตัวเหมือนกันค่ะรู้รู้ไหมว่าโลภเออรู้น้อยค่ะหลวงพ่อเรือว่ายังย่อหย่อนไปเยอะค่ะเออนั่นแหละมันจะยิ่งลุยแหลกค่ะแล้คิดว่าย่อหย่อนแล้วใจมันโลภมันจะเอาให้ได้ กลัวว่าจะไม่บรรลุมากผลหนึ่งจะรีบเอาเร็วๆจริงเลยค่ะหลวงพ่อจริงไม่หลอกหรอกกลับขอบพระคุณหลวงพ่อมาค่ะกลับงนมหการหลวงพ่อืมตื่นเต้นตื่นเต้นดีครับรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้คือก็ปฏิบัติมาตามเชื่อหลวงพ่อทุกอย่างค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองยังา่าแยกขันได้แล้วก็เจริญปัญญาได้ค่ะใช่เป็นข่าวข่าวเป็นข่าวข่าวค่ะ แล้วก็ก็ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมค่ะบางทีก็จะเห็นหน้าตาว่ามันไปคิดเองว่าเห็นทุกข์ลองไม่ขยับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะก็เห็นกายมันทุกข์เห็นทุกข์เนี่ยใจเศร้าหมองด้วยใชใจไม่ชอบแล้วใจมันไม่เป็นกลางนะคะเวลามันไปเห็นทุกข์เนี่ยใจมันหมองเพราะมันไม่ชอบทุกข์ให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะค่ะ ก็พอเห็นทุกข์ก็จะเห็นจิตที่แบบดินน้นรนอยากจะขยับเป็นความอยากที่จะขยับออพอขยับแล้วก็รู้สึกเห็นจิตที่ค่อนคลายนะ<ก>ถ้าเป็นทางร่างกายน ะ, ะก็ขยับไปอย่างเรานั่งอยู่มันเมื่อย เ, เราเห็นจิตเป็นทุกข์จิตอยากขยับรู้ซะก่อนแล้วก็ขยับร่างกายขยับแล้วจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขเห็นไหมจิตไม่เที่ยงหลวงพ่อมีอะไรใจฝึก โอาใช้ได้นะพอวางใหม่ปุ๊บใช้ได้เลยถือไม้อยู่ไม้ตัวนี้มีอาถรรพ์นะใครจับแล้วตัวแข็งหมดเลยครับทาสการครับผมนำการบ้านในรอบสองปีมาถวายครับท่านเมือม่อสองปีที่แล้วส่งการบ้านที่สลาลงชินหลวงพอ<ด>่อบอกว่าผ<ด>มเป็นคนมีโทสะมีกิเลสที่ต้องดูผมกลับมาดูต่อ ผมเห็นเป็นกายมันทํางานได้เองมันพูดได้มันสื่อสารได้ทุกวันคือการทดสอบกิเลสของตัวเองว่าจะอยู่ได้ดับได้ผมพบว่าการให้อภัยมันทําให้กิเลสของผมโทสะของผมดับลงได้เออนะอันนั้นมันเป็นการคิดบวกมันเป็นการทําตรงข้ามอย่างจิตมันคิดโทสะเนี่ยมันไปคิดลบครับเรามาคิดเจริญเมตตาคิดอภัยนะคิดบวกจิตก็ได้อะไรได้ความสุขความสงบนะยังไม่ใช่วิปัสสนาณะถ้าอย่างนั้นค แต่ถ้าเราเห็นว่าเออจิตโกรธได้เองจิตก็หายใช่ไหมถึงเวลาเราไม่ไปคิดในทางร้ายไม่มีเหตุของความโกรธความโกรธก็ดับครับเรามาคิดทางบวกเนี่ยเราไม่ได้คิดทางร้ายความโกรธมันก็ดับไม่ใช่ดับเพราะเราเก่งแต่ดับเพราะเหตุของมันดับนะบตัวนี้ดูออกใช่ไหมเขียนครับใช้ได้เก่งนะครับจเจริญปัญญาได้ละเอียดครัแล้วก็เห็นถึงกายที่มันเสื่อมที่มันมีความทุกข์บีบคับตลอดเวลาครับใช้ได้ดูถูกแล้วละ่ะครับดูอย่างนี้เลย เห็นถึงความไม่แน่นอนที่มันเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาครับตรงนี้ดีทำถูกแล้วครับเดี๋ยวนั้นมันเห็นจริงจรครนะเห็นจริงเห็นด้วยปัญญาครับขอถวายเป็นพุทธชาให้สุขหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงครับสาธุรีบเอาเลยเนี่ยก่าวธรรมสการหลวงพ่อค่ะเต้นเต้นไหมเต้นเต้นก็รู้เอาไม่ว่าลูกตั้งใจวันนี้มาถวายการบ้านหลวงพ่อค่ะก็คือ ทีหนูพ่อให้ไปดูชอบไม่ตัวไม่ชอบว่ะเห็นไหมเห็นค่ะเออถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นกลางนะสบายขึ้นรู้สึกไหมค่ะะ <c oughs> ไปดูบ่อยๆดูอีก <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะ <c oughs> ให้รู้ทัน <c oughs> รู้ทันจิตแล้วเป็นกลางก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสิ่งที่เราชอบมันก็ไปสิ่งที่เกลียดมันก็ไปทุอททก อ, ทอย่างเท่าเทียมกันพอเราเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันจิตเี่ยไม่ก็เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มลง จะมีความสุขได้เห็นว่าเหมือนเหมือนฝันๆนะคะเหมือนโลกนี้เหมือนฝันนะเมื่อกี้ก็บอกนะค่ะมันฝันอยู่คนในโลกมันเหมือนนั่งฝันอยู่เรารู้หรอว่าชีวิตที่แท้จริงเป็นไงะคนที่ไม่เคยตื่นไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่แท้จริงเป็นไงไม่อยู่แต่ในโลกของความฝันตลอดเวลาน่าสงสารนะสังเกตไหมใจมันสลดสังเวชค่ะรู้ทันไม่ให้ความสลดสังเวชครอบใจ ถ้ครับใจก็ไม่ดีอีกให้รู้ทันลงไปไม่ยอมมีอะไรสีแล้วเปทท็นธ <laughs> ารมีกลับแต่ละสการ์หลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเคยทักหนูว่าจิตกระจายไปอยู่ข้างนอกนอกพอกลับไปก็หกหเหมือนกับตอนนั้นก็รู้ว่าค่ะว่าหหเหมือนไปเกาะความสว่างใช่ไม่ลงความสว่างแล้วพอกลับไปมันก็เหมือนตั้งมั่นได้ พักหนึ่งหลังจากนั้นมันก็เหมือนจิตมันก็ไม่ค่อยตั้งมั่นอีเลยไม่ตั้งมั่นไม่ว่าไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะ <c oughs> แต่เราก็ทําทํำกรรมฐานของเราไปตามปกติตั้งมั่นก็ตั้งไม่ตั้งก็ละช่างแต่ว่าเราทํากรรมฐาน <c oughs> เช่นเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเนี่ยจิตไหลเรารู้ไหลแล้วรู้สงบก็ได้ไม่สงบก็ช่างอย่านฟะุ้งซ่านก็ไม่ว่ารู้สบายสบายถ้าเมื่อไหร่ใจสบายใจก็จะมีความตั้งมัน่นขึ้นมาได้นะสงบขึ้นมาได้ หนูรู้สึกอยู่ที่กายเคลื่อนไหวมีได้ไหมคะรู้สึกอย่างตอนนี้ผิดนะตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมอย่างนี้รู้ึเอออย่างนี้ถูกอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่าไปทําขึ้นมานะที่ถูกก็ไม่ต้องทำหรอกให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเองคก็คือเวลาผิดแล้วรู้สึกไหมอเนนี้ใจมันขยับอย่างนี้มันผิดล้วมันแข็งแข็งขึ้นมาอ๋อเวลาเราไปจงใจใช่ไหมจงใจจงใจนะเป็นโลภเจตนานะ โลภะเจตนาเกิดนะจิตเกิดการกระทำกรรมกรรมอะไรกรรมฐานกรรมฐานปลอมๆนะคราวเนี้ยเป็นนักปฏิบัติจอมปลอมละเราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงค่ะงั้นให้รู้ทันตัวโลภะเจตนาตัวจงใจ่ะค่ะขอบคุณค่ะ กลาวนมรดการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติมาประมาณหกเดือนแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบทั้งพย า, ยามทั้งเช้าและเย็นค่ะแล้วก็พยายามรู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันนะคะก็ช่วงก็มีฟุ้งซ่านขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านไปอย่าน้อมใจให้ซึมลงไปแบบนั้นในอย่างนี้น้อมลงไปเรื่อยๆนะไม่ทาใจให้เราท้อเราถอยลงไปไม่ได้นะใจเราตื่นขึ้นมา สดชื่นสดชื่นไหมอย่าไปของหนูว่าไปค่ ะ, คะก็ยังมีฟุ้งซ่านอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะใช้ได้ฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านดีค่ะสังเกตไหมว่ามันฟุ้งได้เองค่ะสังเกตไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราบางครั้งค่ะนะเออคอยดูเรื่อยนะดูกายบ่อยๆด้วยค่ะเพราะเรารักกายเรารักสวยรักงามมากนะเราดูกายด้วยดูแต่จิตยังเดี๋ยยังสู้กิเลสยาก แล้วก็รู้ทันจิตใหญ่ที่หนูรู้เนี่ยถูกแล้วละ่ะค่ะเพราะพ่อครูหลวงพ่อค่ะนำ้ำมศกาลครับหลวงพอ่อก็ไม่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อมาสองปีแล้วเคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่หลง เ, เป็นการเจริญวิปัสสนาอินูที่เพิ่งส่งเสร็จอะเริ่มบังคับตัวเองอะไรไหมไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้เสียเวลาเปล่าเลเหนื่อยเปล่าเปล่า เ, า เ, าเดี๋ยวพ่อน่าอย่างนี้นเครียด ของคุณว่าไปครับแล้วก็หลวงพ่อให้ทออสอนให้ทำสมถะให้ไปถ้าเวลาเหนื่อยก็ให้ไปพักด้วยการไปจับอยู่ที่จิตนิ่งๆว่างๆไว้ครับผมก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกก็พยายามทำตามรูปแบบทุกวันแล้วก็เจอพี่มาลีพี่มาลีก็สอนให้รับมือกับพวกขึ้นภายนอกครับที่มันเข้ามาแล้วก็สอนให้ดูจิตที่อยากปฏิบัติครับผมก็สอนดี ครับผมก็ปฏิบัติมาก็เห็นผลว่าเออเ ร, เราก็ได้รู้ทันจิตที่อยากปฏิบัติมันก็เป็นกลางมากขึ้นนะครับ ม, มันก็เหมือนกับมันปฏิบัติได้เนียนเนียนขึ้นครับผมคลื่นภายนอกก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับผมพลังงานที่เลวอะมันก็กระจายอยู่เต็มโลกนะยิงกันไปยิงกันมาคร่อมไปคร่อมมาในขณะที่พลังงานที่ดีก็กระจายเต็มโลกเหมือนกันพลังของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ นั่นอย่างครูบาอาจารย์แผ่เมตตาอะไรเนี้ยมันก็ไปจ่ายเต็มโลกเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะไปจูนเอาตัวไหนเข้าคนส่วนใหญ่อชอบไปจูนของสปกปรกนะก็เลยไปดูดเอามาน ะ, ะกายบ้าแหมถูกพลังไม่ดีทําร้ายทาไมเราไม่จูนพลังที่ดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงอะไรนะนึกถึงพลังฝ่ายดีอ่ะพลังฝ่ายดีเข้ามาแมทนที่พลังไม่ดีไม่ต้องไปกลัวมันหรอกครับเราไม่ทราบขอกันพ้าหรือบ้าอะไรครับ ไปทาอย่างที่เขาสอนนั่นแหละทำเด่นนั่นแหละต่อย่าเครียดนะทาเล่นๆครับกราบในมาตการหลวงพ่อเห็นหน้าหน่อยเคยากบ้านปีก่อนเราอาจารย์บอกเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านเก่งะอนนี้ม่คลายออกแล้วเห็นไหมขันมันแยกได้ได้บางครั้งค่ะถูกแล้วล่ะได้ทุกครั้งมันก็เกินไปกลายเป็นปลอมอีกนะ บางคนขันแยกทั้งวันเลยเนี่ย ม, มันมันบิวตัวรู้ขึ้นมาน ะ, ะแล้วบอกขันแยกตลอดเวลาอย่านี้ใช้ไม่ได้แล้วการที่บางครั้งเราเหมือนกับเรามองเห็นตัวเองนี่เป็นการหลงไปดูหรือว่าคิดไปเองปะคะมันแค่รู้สึกน ะ, คะนแค่รู้สึกเนี่ยไม่ใช่เราหรอกค่ะเห็นถูกเราล่ะค่ะแล้ ว, ลลวจิตมันถูกนะมันเห็นถูก แล้วแบบถ้าได้ยินได้ฟังเรื่องที่มันเศร้าโศตถู่จะร้องไห้ทุกครั้งกลัวว่าออจะเป็นอะไรเนี่ยร้องไปร้องเราก็รู้ว่าโสดูนะอย่าปล่อยให้ความโสดูครอบจิตถ้าความโสดูมาครอบจิตนั้นดูเข้าไปตรงตรงที่ความโสดูเลยเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปอย่าไปปล่อยไว้เดี๋ยวนี้ใส่เสียถ้านี้ใส่เสียตัวนี้นะไม่ดีนะถ้าตายตอนนั้นเนีจยไปอบายเลยใช่ค่ะกลัวตรงนี้แหลค่ะนั่นแหละน่ากลัวค่ะประคุณจะขาด ขอกราบนพิธการพระอาจารย์นะคะยอมเป็นมือใหม่หัดปฏิบัติค่ะมือใหม่นะดีหลวงพ่อไม่ชอบมือเก่าขึ้นสนิมแก้ยากก็ได้ฟังซีดีพระอาจารย์มาห้าเดือนเต็มๆนะฮะแล้วก uh uh ็มีการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสดหมดแล้วก็ทำทุกวันคงจะออกเป็นแนวสมปทานนะคะกรรมฐานทุกคืนเนี่ยแต่นี้มันมีสภาวะอยู่อันหนึ่งช่วงแรกๆสองสาเดือนแรกที่ทาเนี่ย แล้วพยายามฟังซีดีหลงพ่อหลายมุดหลายหลายแผ่นมากมันไม่พบคําตอบคือใช้พุทโธนะครับบริกรรมแล้วก็เมื่อลมหายใจมันค่อยค่อละเอียดนะคะเรียนขึ้นเนียนขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับลมหายใจไม่มีเนี่ยอเมื <S <S ม่อถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนร่างกายมันมันเหมือนโดนไฟชอ็อตอ่ะมันสิ่งนี้ตลอดทั้งทั้งล่างเลยเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเวลาบางทีมันเป็นอาการของปีติเกิดขึ้นก็มีนะ สะเทือนขึ้นมาให้เรากลับมาที่จิตจิตตกใจให้รู้ว่าตกใจกลับเข้ามาไม่ว่านิมิตใดๆเกิดขึ้นนะถ้าเราย้อนกลับเข้าที่จิตหายหมดอ่ะค่ะตอนนี้ก่อนตอนนี้เดือนที่สี่ที่ห้านี่ ก, ก็ก็น้อยลงไปนะคะแต่เมื่อก่อนจะถี่มากแล้วแต่รู้สึกบาทีมันก็มีวิบากน ะ, ะมีมีกรรมเศษกรรมเก่าๆเวลาจิตเราจะรวมมันก็ามากวนก็มีเหมือนกัน แล้วก็อันนึงที่รู้สึกว่าสีห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนชีวิตมันมันเปลี่ยนไปไม่ขับไปเหมือนเดิมถูกแล้วล่ะถ้าภาวนาไม่เป็นนะกี่ชาติมันก็เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์มันมีน้อยลงไปเรื้อยๆอะฮะอารมณ์ไม่น้อยหรออารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้ทั้งวันเหมือนเดิม<ข>แตเ่เราอินกับมันน้อยลงใช่ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนว่าอาการอย่างสมุโทโศสะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ ไม่เป็นมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่แรงเท่าอย่างตอนเนี้ยปีติมันเกิดดูออกไหมใช่ค่ะเราอินกับปีติปีติครอบใจให้รู้ทันมันก็หลุดออกมาอย่างเนี้แต่ทั้งปีติก็ไม่ให้ครอบนะค่ะก็ให้รู้ทันให้ใจมันเป็นตัวของตัวเองค่ะก็ฟังนะถูกแล้วล่ะค่ะฟังซีดีพระเจ้าทุกวันนะแล้วก็<ม>เออธิษฐานจิตว่าเวลาเหลือน้อยอย่าคิดเยอะจะดับไปจุดวอดชีวิตเอออย่าคิดเยอะนะะ จุดจุดที่เป็นจุดอ่อนของโยมคือมันช่างคิดไปนิดนึงออย่าไปหลงความคิดให้รู้ทันความรู้สึกดีกว่าไปหลงความคิดนะพยายามอยู่่็ว่าจะดูออกใช่ไหมดูออกครับก็ว่าเป็นนักวิชาการนั่นมันช่างหลงคิดอตัวหลงคิดไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นเป็นมารนะอพี่สังขารมารมันหลอกเราพยายามพยายามรู้ตัวแล้วก็ให้มันลดลดลงนะองั้นแหละถูกคขอบอกพระคุณกับอาจารย์ อ่ะต่อไปนำมัสักการหลวงพ่อค่ ะ, ะคือจริงๆไม่ได้กะจะมาวันนี้อะค่ะแต่ว่าพอดีอยู่ๆใจก็อยากจะมาะคือจริงๆแล้วมันเหมือนจิตเขาจะชอบออกไปแส่สายออกไปรับรับอะไรของคนอื่นมาแล้วก็ปล่อยนี่เป็นแล้วก็ทุกครั้งที่รับมามันก็จะเห็นแต่ความทุกข์แล้วก็เห็นใจข้างใน่ะก็เพื่อมวันไหวแบบทุกข์ แต่พอเราไปดูที่ตัวกระเพื่มเนี่ย ม, มันก็คลายลงหายลงอืแต่พอดูดูไปความอยากตั้งหามันก็ครอบอืทําให้พอเห็นกระเพื่มเนี่ยนะคะก็ก็กลับตัวกระเพื่มกับเป็นถุกแทนอืเสร็จแล้วบางทีก็กลับเป็นลอมีครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อบอกให้ดูจิตที่เพ่ง ก็ย้อนกลับไปดูจิตที่เพง่งก็เห็นว่ามีจิตผู้อื่นนักปฏิบัติที่เขาเข้ามาเพ่งจิตเราแล้วทำให้ครอบการปฏิบัติของเราไปมันเหมือนคนที่ใส่รองเท้าไม่เท่ากันแล้วเขาอาจจะใส่ครับเราอาจจะใส่หลวงแล้วทำให้การปฏิบัติเรากลายเป็นของเขาไปเลยอะคะอ่ะก็เห็นจิตที่กระเพื่อมหวันไว้กับสิ่งที่เจอแล้วก็ ก็เช่นการพอดูครั้งแรกจิตกระเพื่มก็หายไปแต่ความอยากเข้ามาปุ๊บกระเพื่มก็กลายเป็นทุกข์เหมือนเดิม ม, มันเหมือนไม่เราออกไปยุ่งเขาก็เข้ามายุ่งกับเราแล้วใจเรามันกระเพื่อมทุกครั้งเราห้ามมันไม่ได้ใช่มใช่นะหลวงพ่อมาอก่อนจิตไวมากนะคนคิดถึงเราก็รู้นะบางคนไปทำบุญมาแล้วก็ไปกวดน้ำแผ่ส่วนบุญมาให้เราเราไม่ใช่ผีสักหน่อยนะ ยังก็เอาไม้สูงมากระทุ้งหน้าอกเราน่ยไหมบุญของเธอเลยว่าห ย, ยาบมากเลย <c oughs> ไปบอกหลวงปู่เทศนะหลวงปู่ผมจะทําไงเนี่ยนะจิตมันไวเกินท่านบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอถ้าแก่กล้าพอมันไม่ออกไปกระทบอย่างนั้นหรอกอันนี้เราให้ค่ากับของข้างนอกมากไปเราไปติดกับความคิดว่ามันมีพลังมาครอบงาเราเขามาทําเรา เราหลงอยู่ตรงนี้เราวุ่นวายอยู่ในเครียดอยู่กับตรงนี้นะใจไม่สบายอย่าไปสนใจจะเป็นสพลังจากข้างในเองหรือเป็นสิ่งแปกปลอมจากข้างนอกนะก็แค่ผัสสะเท่านั้นแหละเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะจิตเศร้าหมองให้รู้ทันนะให้รู้ทันจิตใจของเราไปอย่าไปอยากให้มันหายไปมันไม่หายหรอกนะยิ่งเราไปสนใจมันยิ่งมาบ่อยมาบ่อย ก็พยายามใช้วิธีเมื่อกี้หลวงพ่อสอนให้นึกถึงครูบาอาจารย์ก็นึกถึงครูบาอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนมันก็ไม่เที่ยงเหมือนจิตเขาไม่ยอมที่จะทำสมาธิเลยค่ะใส่ใจไหมว่ามันมเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะอย่างเรามีไปซื้อเสื้อมาสักตัวหนึ่งซื้อเสื้อขาวๆมาเนะี่ยแหมมีเศษได้ขาดอยู่นิดนึงนะเราจะเบียนดูไว้ตรงที่ไม่เดียนึกออกไห ม, อ, มอันเนี้ยพลังที่ดีทําไมเราไม่ดูพลังที่ดีเยอะแยะเลยนะ พลังพระพุทธเจ้าพลังครูบาอาจารย์พลังเทพพรหมสัมมาทิฏฐิอะไรนี่เยอะแยะนะถ้าเรานึกถึงทางนี้นะมันไม่ไปต่อกับพลังที่ไม่ดีอย่าไปกลัวมันนะพลังไม่ดีทําอะไรเราไม่ได้จริงหรอกมันอยู่ที่กรรมแล้วก็คือพอพอดีวันนี้จะมาส่งหลวงพ่อมันก็เลยเหมือนจิตมีกําลังก็คื อ, อพอจิตเขา เห็นคนที่มาเพ่งเนี่ยมันก็ไปเห็น เ, เลเยอร์ข้างหลังคือนิวรณ์กับวิปัสสุกิเลสพอเห็นสองตัวนี้นิวรณ์ของเขาเรื่องของเราไม่แน่ใจค่ะเห็นแค่สภาวะนิวรณ์แล้ววิปสัสสุมันก็ไอตัวความมืดมนเนี่ยมันก็คลายไปกลายเป็นเหมือนอท่อน้ําเป็นพลังงานไฟฟ้าสิพอเรารู้ทันนิวรณ์สมาธิก็เกิดเพานิวรณ์มันจะดับนะ งั้นอาศัยสติรู้ทันจิตของเราไปด้วยมีนิวรณ์เกิดขึ้นให้รู้สิ่งแปรปลอมภายนอกหรือความปรุงแต่งภายในในะมีค่าเท่าเทียมกันนะอย่าไปกลัวข้างนอกข้างในก็ปรุงเองก็มีนะมารไม่ได้มีแต่ข้างนอกนะมารอยู่ในใจเรานี่เองคือกิเลสมารอาพิสังคารมามความปรุงของจิตให้เราแค่รู้ทันเขาจะปรุงมาอย่างไงก็ตามจิตยินดีให้รู้จิตยินร้ายให้รู้ ถ้าจิตเข้าถึงความเป็นกลางไม่หวั่นไหวเนี่ยสิ่งที่แปลปลอมพข้ามอยู่ไม่ได้หรอกอ ม, มันคล้ายๆบ้านมีเจ้าของแล้วพ อ, เ, อเห็นเป็นกระแสะไฟฟ้าเนี่ยก็ให้ย้อนมาดูจิตค่ะะไม่เอาไม่ดูกระแสะย้อนมาดูใจนี่ใจอยากดูไอ้กระแสะนี้รู้ว่าอยากเราไอต้ตัวตัวเราก็เห็นไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเราเราหลงไปตามกระแสะหรือเปล่าคือเราก็เห็นตัวเราเนี้ยเดินย้อ น, อนเหมือนริมตะหลิ่ง ไปเราไปเจออ่าเขาเรียกอะไรคะเหมือนแท่นเหรียญเราพลังงานทั้งหมดเนี่ยคือออกมาจากแท่นเหรียญนะจิตฟุงสร้างอจิตฟุงขึ้นทั้งหมดเลยไม่มีเราแท่นเทินอะไรนั่นจิตเราสร้างขึ้นมาพอเราหลงเชื่อว่าจริงแล้วก็จริงขึ้นมาถ้าเราไม่เชื่ อ, อเรารู้ว่านี่เหมือนฝันอยู่มไม่มีความจริงหรอก อ, อยู่ที่ใจนะอย่าไปเชื่อมัน เ, เราเชื่อของจริงร่างกายนี้ของจริงรู้สึกไป ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยของจริงรู้สึกไปจิตเขาไม่ยอมดูร่างกายเลยอะค่ะเออไม่ยอมดูก็าพามันดูเห็นไหมหร่างกายไปยักหน้าเนี่ยดูบ่อยๆน ะ, ะงั้นมันตเตลิดเข้าไปในโลกภายในแล้วก็ถูกความปรุงแต่งหลอกไม่มีใครมาทำอะไรเราหรอกออคุณคะแม่เดี๋ยวขอเชิญพวกเรากล่าวคำถวายทานร่วมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย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 ตาบสิ้นกาลนานเถอยถาวะริวะหาปูราปริปูเรนตีสากรังเอวเมวัยโตที่นั่งเปตานังอุปกระปติอิจิตังปิติตังทุมหังคิปะเมีวะสมิจฉุสัเพปูเรนตูสังคปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัตชันตูสภโรโควินาสตุ มาเตปวัตวันตราโยสุขีที่คาโยโกพะวะอภิวาธนาสีลิสนิตจังวุธาปัญยีโนจัตตารโรธรมาวันตีอายุอโนสุขังพลังสาธุนุวงพ่ออนุโมทนากับทางโรงแรมนะมจัดเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทำเพื่อสังคมเพื่อศา ส, สนาก็ขออนุโมทนาทางโรงแรมกับคนต้นคิดนะ ให้นคนมานิมนต์